ให้เห็นเลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่นิสัยของของผู้เจริญหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเลิกเวลาเราพูดถึงชูโชคทีไรเนี่ยเราก็นึกภาพออกนะว่าโอ้โหกินยังไงกินจนท้องแตกตายแต่อันนี้นี่นี่เขาเล่าต่อเองนะจริงๆในๆในในพระไตรปิฎกที่อยาจะมาศึกษาและอ่านดูเนี่ยไม่มีบอกหรอกว่าชูชกท้องแตกตาย มีบอกแต่คิดว่าแม้จะต้องให้แต่งเรื่องก็เหอะแต่งเรื่องว่าชูชกกินจนกระทั่งท้องแตกตายนะก็รู้สึกว่าเออมันจะเป็นอุทาหรณ์ที่สอนได้ดีที่จะให้เห็นว่าคนเราเนี่ยถ้ามันขี้โรคมากๆขี้โลบจัดๆโลบอะไรอะ่ะคุณอย่านึกแต่เรื่องกินนี่กินจุนี่คุณอย่านึกแต่เรื่องอาหารการกินอย่างเดียวนะคุณจะกินจุอะไรก็แล้วแต่ ที่ตะ ก, กี้บอกอ่ะไม่มีอิ่มไม่มีพอจะเรื่องกามก็ตามเรื่องผู้ชายผู้หญิงถ้าคุณไม่มีอิ่มไม่มีพอคุณก็กินจุแล้วฆ่ากันตายมาเยอะต่อเยอะแล้วเนี่ยไอ้ไอประเภทไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอใช่ไหมหรืออา้าวไม่ต้องเรื่องนี้เอาเรื่องอื่นเอาเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคุณกินไม่รื่องอิ่มไม่รู้จักพอได้เงินได้ทองอะไรมาก็ โอ้โหคีโลคีหอบคีหวงแล้วก็ยิ่งกอบโกยอยากจะยิ่งได้มาตายตายกันมันก็เยอะแล้วนะโกยไปโกยมาเขาก็เอาลูกตะกัวให้หรือบางทีก็โดนจี้ปุซึ่งอันเนี้ยนี่เนี่ยล้วนเป็นการเสพที่กินจุตะกะตะกามต่างๆหรือแม้แต่ลาบยศต่างๆก็ตาม สรรเสริญก็ตามถ้าคุณไม่รู้จักอิ่มคุณไม่รู้อยากพอคุณตะกะอยากได้อยู่เรื่อยอยากได้อยู่เรื่อยไม่มีใครเขาชอบหรอกเพราะอะไรต่อให้อยู่ในโลกในสังคมเนะี่ยเขาก็ไม่ชอบเพราะอะไรอะ่ะเพราะในโลกในสังคมมันเป็นยังไงมันแต่ละคนก็อยากจะได้ใช่ไหมก็อยากจะได้เหมือนกันนะไอคนนี้ก็อยากได้ไอคอนโน้นก็อยากได้มันก็แย่งกันนะที วันอิจฉาริษยานะหรือว่าบางทีแก้งกันเบียดเบียนกันทำร้ายกันก็เพราะอะไรก็เพราะฉันอยากจะได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าใครเนี่ยอยู่ในโลกอยู่ในสังคมที่แก่งแย่งเนี่ยคุณไปแย่งกับเขาเขาเล่นงานคุณเขาฆ่าคุณแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเรารู้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ยเอาแบ่งปันเสียสละบริจาคนะหรือว่าเออยยอมให้เขาบ้าง เราได้แค่นี้เราก็พอละนะไม่ต้องไปโอ้โหเอาอะไรมากกว่านี้ก็ได้อันนี้คุณอยู่กับเขาได้ใช่ไหเพราะเขากี้โลภเขาอยากจะได้แต่เราเออเรากล้าเสียเรากล้าเสียเปรียกเรากล้ายอมให้เขาได้อ่าแต่เราก็อยู่ของเราเราก็มีความสูขของเราอยู่อย่างเงี้ยคุณไม่ตายง่ายๆเขาจะเลี้ยงคุณอาไว้ด้วยเพราะว่าดีละแล้วเขาจะว่าเรางโง่นะ จะว่าเออไอ้อพวกนี้มันโง่ดีมันยอมเสียเปียบมันยอมเสียสละแบบนี้เขาชอบเลยเขายิ่งอยากให้เราอยู่เลยเพราะว่าเขาจะได้ได้เยอะๆ่ยเพราะว่าเขากินจุเขากินไม่อิ่มเขากินไม่พอเพราะานั้นเขาจะเลี้ยงเราไว้ในสังคมนี้เลยเพราะเราเป็นเหมือนกับแหมขออภัยนะเหมือนตัวเงินตัวทองของเขา ที่เขาเนี่ยโอ้โหอยากได้ไว้เขาอยากได้ไว้จริงๆเพราะว่าเอา้าเราเสียเปรียบได้อะ่ะนะเราเสียสละให้ได้อะ่ะดูที่มาทํางานแงงแงงแงแงงไม่เอาเงินเดือนก็ได้หรือเอาเงินเดือนน้อยๆก็ได้ใครจะไม่เอาอะ่ะถ้าคุณไปทําที่ไหนใครเขาจะไม่ชอบอะ่ะคุณไม่ได้ขี้เกียจ น, นะคุณก็ขยันนะแล้วคุณก็ทํางานนะเออ แต่คุณเอาเข้าน้อยๆอ่ะมีที่ไหนอ่ะใครจะไม่ชอบบ้างไหนลองลองมีไหมมีไหมที่ไหนที่จะไม่ชอบไม่มีหรอกเขาก็อยากได้คนทำงานขยันคนทำงานเก่งๆล้วเงินเดือนน้อยๆเ <s> ขาชอบเท่านั้นแหละคุณไปทำเถอะบริษัทไหนก็ได้รับรองเลยเ <s> เปิดรับเลย <S <s แต่ใครเหนียวโคขีิโล นาตาตา ก, ากรรมเข้าไปก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆสูงๆนะไปทำงานเสร็จก็แหมอยากได้ฐานะตำแหน่งใหญ่ๆโตๆเสร็จแล้วก็อยากมีบริวารเยอะๆคุณเข้าไปแล้วรับรองได้เลยคุณก็ต้องไปชนกับคนนั้นไปชนกับคนนี้นะเผลอๆเขาก็เล่นงานคุณก็เก็บคุณตอนนั้นเองเพราะเขาก็อยากใหญ่เหมือนกันเขาก็ตาตากรรมเหมือนกัน นะ อ, อันนี้ในด้านของนะเรื่องของความตกะกะเพราะเรื่องกินจุหรือเรื่องความตะกะนี่เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะเราก็ฝึกฝึกที่จะลดละฝึกที่จะนะอย่าให้ไปกินจุเพรากินในแต่และอาหารที่กินเนี่ยก็หัดฝึกฝึกที่จะกินให้มันพอดีลงมานะน้อยที่สุดแล้วก็พอดี ฝึกหาจุดลงตัวตรงนี้ให้ได้ที่อยู่อาศัย เ, เสื้อผ้ายูกยานะเนี่ยปัจจัยสี่เนี่ยไปดูสิว่าเอออย่างไหนเราเราเนี่ยใช้ให้น้อยแต่ว่าให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์ไม่จาเป็นต้องไปสิ้นเปลืองไม่จาเป็นต้องไปใช้โอ้โหหรูหราฟุา่มเฟือยมากๆอะไรเลยนี่ ใครเนี่ยขนาดปัจจัยสี่คุณยังลดลงมาได้เลยถ้าใครในปัจจัยสี่คุณลดลงมาได้เมื่อคุณใช้ปัจจัยสี่เนี่ยน้อยลงเงินทองจําเป็นต้องหามามากไหมก็ไม่จําเป็นใช่ <laughs> <laughs> ไหมเว่าเมื่อเราเองเอ้ยเงินก็ไม่เห็นต้องมีมากเลยใ น, นเมื่อเราสามารถใช้ปัจจัยสีได้น้อยลงมาได้เพราะฉะนั้นคราวนี้คุณก็ไม่จะไปเดือดร้อนอะไรเรื่องเรื่องเงินเดือนเงินดาวเรื่องรายได้อะไรคุณก็ไม่ค่อยไปเดือดร้อนอะไรละ แม้ว่าได้รายได้มาน้อยคุณก็อยู่ได้สบายเห็นไหมข่าวเนี้ไม่เห็นจะต้องไปตะกาตะการเรื่องอะไรเลยคนนี้มีความสุขมากเลยในชีวิตวมันฝึกตรงนี้ให้ได้อข้อที่ห้านะลุทโทนะคือความหยาบช้าหรือว่าความโหดร้ายอันนี้เป็นนิสัยธรรมดานะของของคนที่ นะยังยังต่ำช้ายังลามกอยู่จะหยาบหยาบช้านะอันนี้คิดว่าเราเองคงเข้าใจอยู่แล้วแหละนะ่าจะเป็นเรื่องของกามก็ตามเรื่องของโทสะก็ตามหรือเรื่องของอัตตามานะก็ตามจะหยาบช้านะจะต่ำจะซามจะรุนแรงเพราะนั้นอันนี้เลิกซะนะยิ่งดิสันโดยเฉพาะความโหดร้าย ความหยาบช้าที่ที่ที่เลวที่สุดที่ร้ายที่สุดอย่างโทสะเนี่ยโทสะเป็นนิสัยความหยาบที่เลวที่สุดเพราะว่ามันมันทำลายมันอะไรอ่ะมันฆ่าแกงมันอะไรเนี่ยเพราะตัวโทสะเนี่ยอันนี้รุนแรงที่สุดมันถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลิกความหยาบช้าโดยความมีโทสะอันนี้ลงไปให้ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะโทสะเพราะเรื่องอะไรลดลงไปให้ได้ ลองลงมาคือความหยาบในเรื่องของกามความรักความติดยึดความผูกพันความหวงแหนความอะไรต่างๆนี่ก็เป็นความหยาบช้าเพราะยิ่งรักมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งรักมากดักเกินนะยิ่งมีความรักจนหวงจนยึดถือจนติดแน่นจนอะไรพวกนี้มากเท่าไหร่นี่โอ้โหมันจะ พลิกไปเป็นโทสะได้ง่ายเพราะคราวไหนที่ไม่สมหวังคราวไหนที่ไม่ไม่ได้มาในสิ่งที่เรารักที่เราหอบหวงหรือบางทีเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราหอบหวงเอาไว้โอ้โหคราวนี้แหละคุณเอ้ยนะความหยาบช้าความรุนแรงความเร็วซ้ำจะออกมาอย่างหนักหน่วงเลยจะเห็นชัดเลยถ้าใครเป็นสายโทสะมานี่ก็โอ้โห เบียดเบียนทำลายนะฆ่าล้างผลาญคนอื่นเขาเห็นชัดแต่ถ้าคุณเป็นสายกามชนิดที่เรียกว่าพอพัดพากจากของที่รักอันนี้ไปโดนคนอื่นแย่งไปหรืออะไรไปก็แล้วแต่คุณจะแบบว่ารุนแรงมากเลยแต่แทนที่จะไปทำร้ายคนอื่นนี่ทำร้ายตัวเองพวกนี้จะกลับมาทำร้ายตัวเองนะัยรุ่นทุกวันนี้มันกรีดมือบ้างเห็นไหม กรีบบื้อบ้างโอ้โหนะบางคนก็ไปกินยาเสพติดไปทำอะไรที่มันสาดิสอะที่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ถึงจะแบบว่าโอ้โหถึงจะสะใจขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะประชดประชันอะไรแปลกแปลกแผงแผงเยอะเลยในโลกนี้อันนี้อันนี้เป็นความหยาบช้าทุกวันเนี้ยเพราะอันเนี้ยต้องแก้ เรารู้ว่าเรายังอารมณ์รุนแรงในเรื่องของอะไรก็ตามเรื่องของกลารก็ตามเรื่องของโทสะ ก, ก็ตามรู้ว่าโหเรายังมีอารมณ์รุนแรงเรื่องพวกนี้มากหัดเลยหัดลดนะหัดบรรเทามาลงมาโดยทางที่ถูกต้องอาจจะฟังธรรมะหรืออาจจะมาลดไลกิเลสโดยอะไรการกินอยู่หลับนอนเนี่ยนะเอาเข้ามาใช้มาฝึกฝนที่จะ ลดไอ้ตัวกลามตัวโทสะที่มีของเราเนี่ยให้มันบรรเทาลงมาเพราะบางทีเนี่ยเราไปฝึกเรื่องนั้นโดยตรงไม่ได้เราก็ต้องอาศัยเรื่องอื่นๆในชีวิตเราเนี่ยใช่ไหมที่มันเกี่ยวกับเรื่องดูดเรื่องผักเนี่ยเอา้าเรื่องกินอ่ะไอ้นี้ชอบไอ้นี่ไม่ชอบเนี่ยคือดูดคือผักอ่าหรือเรื่องเสื้อผ้าสีอย่างนี้ฉันชอบสีอย่างนั้นฉันไม่ชอบเนี่ยเรื่องดูดเรื่องผักแล้วก็เอามาใช้เลยเอามาฝึกฝนตัวเราเพื่อที่จะลดความรุนแรงของอารมณ์ที่ ที่คนเนี่ยมันชอบไปปรุงแล้วก็มันชอบไปคิดคนเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มีนิสัยหยาบช้าเร็วสามคนเราไม่ได้ไม่ได้เป็นนิสัยอย่างนั้นแต่เมื่อมันผิดหวังเมื่อมันไม่สมใจแล้วก็ปรารถนาอยากได้อย่างรุนแรงเนี่ยมันทําให้บางทีมันป้าๆจะทําไอ้นั่นทําไอ้นี่อะไรขึ้นมาอย่างอย่างเร็วๆรวไล่ไล่อย่างโหดร้ายอย่างอะไรได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับ ต้องแก้นิสัยให้มันอ่อนโยนขึ้นให้มันนุ่มนวลขึ้นนะฝึกกินอาหารบางทีลสเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอะไรจัดจัดเนี่ยหัดหัดลดความจัดความรุนแรงพวกนี้ลงมากินในที่มันแหม่ซบซ้อบัอบ้บบงนุ่มนวลบ้างเล่านจะไม่ได้นะเล่านจะยิ่งมีดีกรียิ่งมีความร้อนความแรงนั่นยหยาบเนี่ยต้องลดอาหารพวกเนี้ย ให้พวกเหล้าพวกอะไรที่มันห ย, ยาบหยาบรุนแรงแอลกอฮอลอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้รุนแรงทั้งนั้นต้องลดเลยเลยบอกอย่างนี้บอกอ่าพวกนั้นแรงใช่ไมเพราะทกินไวนมันเหล้าออ่ อ, อน <c oughs> ไม่ใช่นะถ้ารอนลองมีไอ้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอลมากพอเนี่ยมันมันหยาบทั้งนั้นแตมันแรงทั้งนั้นวันอโศกเราเนี่ยพ่อท่านถึงบอกถ้าเป็นนักบวชเนี่ย เอานักบวชนี่นะเอาส ม, มณะนี่นะไม่ต้องไอ้นี่หรอกเอาแค่กระแช่ไออไม่ใช่อะไรนะข้าวหมากักแค่ข้าวหมักเนี่ยแหละบอกว่าไม่สมควรกินไอ้ น, นี่จริงๆมันก็อ่อนๆใช่ไหมอแต่อโศกเราเนี่ยพ่อท่านบอกไม่สมควรนอย่าไปพูดถึงไอ้ไอ้วายเวออะไรเลยะระวังเถอะเดี๋ยวนี้มีน้ำหมักคีว่าพ้ราระวังให้ดี เพราะนั่นนี่เรามีนะเรางดนะบางอย่างที่พอเราไปตรวจไปแล้วนี่แอนโกอฮอ์เนี่ยมันเกินมันงดเลยไม่ขายนะอันนี้เ น, เนี่ยคือความหยาบนะเลิกให้ได้นละให้ได้คือผู้อย่างที่บางทีเราเองเนี่ยเราก็ไปนึกอะไรต่ออะไรที่มันหยาบๆยาบไกลตัวเราเพราะฉนั้นพยายามนึกอะไรที่มันเรายังหยาบอยู่แล้วใกล้ตัวเราเนี่ยอะไรที่ยังหยาบอยู่คนอื่นอาจจะไม่รู้นะ แต่เรารู้ตัวเราดีว่าอย่างนี้ย่งหยาบจะในที่รับจะในที่แจ้งก็ตามเรารู้ว่าอย่างนี้ยังหยาบเลิกซะลดซะอย่าไปทามันเพราะใครยิ่งทำมากเท่าไหร่ใครยิ่งเคยชินบ่อยเท่าไหร่คนนั้นสั่งสมความหยาบความรุนแรงความโหดร้ายความอะไรเนี่ยไปเรื่อยล่ะแล้วมันจะเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อย แล้วพอเราเรารู้ตัวเราแล้วเราลดให้ได้นั่นะนะเป็นข้อที่ห้าส่วนข้อที่หก็คือไม่มีความการุณาท่านไม่ได้ในสิบข้อนี้ท่านไม่ได้มีคําว่าเมตานะแต่ข้อที่หกนี้ท่านบอกว่าไม่มีกรุณาเพราะการุณาเนี่ยมันยิ่งกว่าเมตตาเมตานี่แค่มีใจดีมีใจจะช่วยเหลือคนอื่นเขาแค่มีใจแต่กรุณานี่คือลงมือช่วย จะต้องลงมือเลยเพราะข้อนี้เนี่ยถ้าคนที่มีนิสัยเยี่ยงกาเนี่ยมันไม่คิดช่วยใครนิสัยกาที่ไม่คิดช่วยใครเอาตัวเองเท่านั้นเองแต่ใช่ไหมถ้าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นมาต้องมีนิสัยที่มีกับรุณาท่านไม่เอาแค่เมตตาท่านเอามีกับรุณาเลยคือต้องลงมือช่วยคนอื่นเขาไม่ใช่แค่มีใจคิดช่วยคนอื่นแต่อาจจะไม่ลงมือก็ได้ แต่ถ้าคุณเนี่ยลงมือช่วยคนอื่นเนี่ยรับรองเลยคุณต้องมีใจด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่มีใจจะคิดช่วยใครคุณไม่ลงมือหรอกเพราะันท่านตัดรอบเลยเอาตรงลงมือเลยเพราะนั้นอย่าไปเป็นแบบนิสัยกาที่ว่ากาเนี่ยอักการูนิโกอการุนิโกคือไม่คิดจะช่วยใครนะ น, นั่นข้อที่หข้อที่เจ็ก็คือทุพพลโคือไม่แข็งแรงอ่อนแอ เพราะฉะนั้นใครเนี่ยแพ้อะไรอยู่บ่อยๆแพ้อะไรอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยทุกพโลคอยูใจอ่อนใจอ่อนใจอ่อนอยู่เรื่อยเยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยแหละกิเลสเล่าเรื่องอะไรไม่ดีเนี่ยใจอ่อนอยู่เรื่อยใจอ่อนอยู่เรื่อยใจอ่อนอยู่เรื่อยต้องแก้อันนี้เป็นนิสัยการนะเ <arcade> พราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องแก้รู้เลยว่าไอ้นี่ยเราจริงๆเราโอโ้โหเราสู้ได้ยากก็จริงแหละ แต่มีเหลือว่าจะสู้ไม่ได้สู้ได้มันก็พยายามหมั่นเพียรสู้บ่อยๆสู้บ่อยๆสู้บ่อยๆล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้อีกล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้อีกเนี่ยคุณหมั่นเพียรสู้บ่อยๆเนี่ยแล้วคุณจะแข็งแรงใจเราจะแข็งแรงเราก็ต้องฝึกต้องฝึ ก, ต, ฝกต่อสู้กิเลสต้องฝึกต้านกิเลสบ้างอย่าไปปล่อยตามใจกิเลสแล้วปล่อยตามใจกิเลสบ่อยๆจิตเราอ่อนแออ่าส่วนข้อที่แปดมักรอง โอรวีหรือว่าโอรวิตานำมากรองคือโวยวายนั่นเองบยง่ายถ้าเป็นกากจะอย่างที่บอกอะ่ะบินไป บ, บินมาร้องกา้ากากาได้ยินอยู่เรื่อยเสียงกาเนี่ยเนี่ยชอบร้องชอบโวยวายชอบไอโนนชอบไอนี่อยู่เรื่อยอโดยเฉพาะโวยวายนี่แหละมากนะ่ะเปรียบกับคนหรือเปรียบกับภิกษุก็ตามหรือเปรียบกับพวกเราก็ตามบางทีเนี่ยขี้บน โวยวายนะไอโนแอดี้บางทียังไม่ทาอะไรเลยเอาละ เ, เอาอีกแหละโ ว, วยวายอีกแล้วอลองอยู่เรื่อยอนะเพราะอันนี้ต้องแก่นะหัดหัดอดทนหัดพูดให้น้อยต่อยให้มากเราพูดน้อยลงแต่เราทํามากขึ้นนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าให้ไม่พูดนะก็พูดแต่ว่าเออหัดพูดให้มันน้อยลงไม่ต้องไปโวยวายอะไรมากมายนั้งหรอก ส่วนข้อที่9ก้าก็คือเผลอสติตเผลอสตินี่ก็หลงหลงลืมลืมอยู่เรื่อยน่นหลงหลงลืมลืมทำอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ค่อยมีสติสตินี่คือความรู้ตัวโดยเฉพาะถ้าเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเรามีศีลเรามีวินยัยมันทบทวนคนที่จะไม่เผลอแล้วไม่ลืมง่ายเนี่ยคือมันทบทวนแล้วโดยเฉพาะยิ่งศีลหลักของเรา ทำไมพระเจ้าเนี่ยให้ภิกษุเนี่ยทุกๆสิบห้าวันหรือทุกๆปักจะต้องมาฟังสวดพระปฏิโมก ค, คุณคิดดูสิก็ฟังอยู่นั่นแหละสมมติว่าสองรอยี่สิบเจ็ดข้อฟังอยู่ทุกปักอะ่ะเดี๋ยวก็ต้องเข้าโบทถอา้าวฟังอีกแล้วไอ้สองรอยีสิบเจ็ดข้อเนี่ยฟังอยู่นั่นแหละพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าต้องมาฟังไม่ฟังไม่ได้ด้วยนะ ต่อให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามคุณคิดดูต่อให้บรรลุทำแล้วก็ต้องมาฟังไม่ฟังไม่ได้พระเจ้าถือว่าไม่ฟังไม่ได้ต้องมาฟังคุณคิดดูเอาก็แล้วกันเนะี่ยแล้วอย่างอย่างอย่างพวกคุณเนี่ยโธ่เอ้ยจะเหลืออะไรจะเหลืออะไรคุณคิดดูเอานะเนี่ยแล้วมันก็จะเผอสติมันก็จะหลงหลงลืมลืมมันจะอะไรเนี่ยอยู่เรื่อยโดยเฉพาะ บางทีลืมศีลหรือวินัยของเราเองอะ่ะหมายให้ที่เราจะผิดผิดพลาดเราจะเวยเนี่ยนะเพราะบางทีลืมเนี่ยแหละเพราะว่ามันไม่ขึ้นใจไงเพราะบางทีเผลอลืมไปคุณทําไปเอาแม้ถ้าเป็นภาษาหนักๆก็ฉิบ ห, ห, หายเสร็จแล้วอะ่ะโอ้โหยิ่งถ้าบวชเป็นพระเนี่ยถึงถ้าคุณไม่ศึกษาวินัยให้ดีก่อนเลยนะคุณไปพลาดเนี่ยคุณไปปาราชิกนี่คุณจบเลยนะ คุณจะรู้หรือคุณไม่รู้นี่เรียบร้อยเลยชาตินี้หมดอนาคตทันทีคุณพลาดไม่ได้เลยนะถ้าเป็นนักบวชเนี่ยโดยเฉพาะปาราชิกสี่เนี่ยคุณพลาดไม่ได้คุณขืนพลาดเมื่อไหร่เนี่ยไม่เจตนาเลยไม่ได้มีจิตอะไรที่มันจใจนั่นเลยนะแต่มันไ่พลาดจริงๆมันนึกไม่ถึงอนะบางอย่างมันคิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นอะไรนะ่ แต่ที่ไหนได้มันเข้าขายนี่ทันทีเลยประชิกนี่คุณหมดความเป็นพระทันทีชาตินี้ทั้งชาติไม่ให้บวชอีกแล้วพังเลยทันทีเลยมันจึงบอกว่ามันไม่ได้เลยนะคุณจะเผลอสติอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะพระเนี่ยเขาต้องระวังมากๆโดยเฉพาะประชิกสี่เนี่ยมีหรือจะไม่รู้เนี่ยรู้หมดแล้ะมันมีอยู่แค่สี่ข้อทําไมจะไม่รู้ล่ะแต่มันเผลอ คุณไม่หมั่นเนี่ยไม่ไม่ห ม, มั่นเตือนสติคุณไว้ไม่มันเตือนบ่อยๆลืมได้จริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไอ้ดูไอ้นี่ไอ้นั่นมันก็เออลืมตัวได้แต่ถ้าเราเนี่ยมันระลึกอยู่เสมอๆเนี่ยมันก็ไม่ลืมตัวมันโอกาสที่เราพลาดเนี่ก็จะไม่มีนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นนิสัยหนึ่งที่จะต้องแก้ส่วนอีกาเนี่ยมันมันชอบแกล้งลืมที่จริงไม่ลืมหรอกแต่บางทียังแกล้งลืม อ่รู้ว่าไอ้ น, นี่ไมดีเนี่ยนะไม่ควรทำํำลืมจริงๆไ ม, ไม่ได้ลืมหรอกรู้อยู่ยแต่ทําอ่ะไอเนี้ยยิ่งเลวร้ายหนักเลยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ลืมจริงอะ่ะแกล้งลืมไอเ น, นี้ยยิ่งโอ้โหหนักข้อนะพรานิสัยอย่างนี้อย่าอย่าไปมีสุดท้ายข้อสุดท้ายคือนิสัยสั่งสมนเนจะยิกโกนะนิสัยสั่งสม อันนี้เพราะพูดเพราะก็สั่งสมพูดแบบชัดๆหน่อยพูดว่าไงฮะหมักหมมเหรอหมักหมมมาอีกลักษณะนหนึ่งสั่งสมก็คืออะไรพวกพวกบ้าหอบฟางพวกบ้าสมบัติพวกบ้าเก็บพวกอะไรต่ออะไรเงี้ยอูย้ยอะไรต่ออะไรก็เอามาเยอะแยะไปหมดบางทีของ เก็บไว้เผื่อจะใช้ในอนาคตบางทีดูวีวแววแล้วมันไม่เห็นอนาคตที่จะใช้เลยนะไอไอเนี่ยเก็บสะสมโอ้โหจนกระทั่งบางทีนี่ที่นอนยังจะไม่มีเหลืออยู่แล้วอ่ะเก็บไอ้นู่นเก็บไอ้นี่มสาสมบัติจริงๆบางคนอโอ้โหเอาแค่สมบัติภายนอกก่อนเก็บสะสมเยอะแยะไปหมดที่นอนจริงๆเิี่ยใช้แค่นิดเดียวโอ้ย หอบผวงอะไรต่ออะไรไม่รู้สะสมใมไปหมดนะอันนี้พวกเราคงเข้าใจแต่ น, นี้ขอพูดเจาะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือชอบสะสมกิเลสเอาไว้ <c oughs> อันนี้แหละที่มันเป็นตัวตัวต้นเหตุที่หนักที่สุดเลยเป็นที่มาของสิ่งอื่นๆโดยเฉพาะการสะสมกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสตัวที่เรา ชอบชอบอะอย่างไหนที่คุณชอบคุณยังเก็บสะสมไว้เหมือนกับสะสมสแตมป์เนี่ยพอเปิดขึ้นมาเนี่ยแหมนะเห็นเลยนะแหมดวงนี้ดวงนี้สแตมป์ดวงนี้ประเทศนั้นสแตมป์ดวงนี้ราคาเท่าไหร่แหมเห็นหมดเลยนะเรามองตัวเราเนี่ยเรารู้ว่าเราสะสมอะไรของเราไว้บ้างเนี่ยกิเลสัวไหนบ้างคนอื่นอาจจะไม่รู้คุณแต่คุณรู้ ว่าคุณสะสมอะไรไว้บ้างนะ้ลองไปสำรวจดูเนี่ยเราสะสมอะไรไว้บ้างจนกระทั่งทุกวันนี้ยังสะสมอยู่นะาเอาไว้เขาบอกว่ายิ่งเก่าเนี่ยยิ่งราคาดียิ่งรางคาสูงใช่ไหมเนียเก็บไปเก็บไปให้มันานานๆฮะยิ่งหายากใช่ไหมยิ่งเอายิ่งคลังเนออเพราะยิ่งเก่าเนี่ยโอ้โหยิ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะนั้นพวกนี้ก็เลยเนี่ยจะเก็บอยู่เรื่อยอ่ะหอบหัวงเอาไว้เงี้ยเก็บเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยมันพยายามเห็นให้ได้เถอว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งเก็บเนี่ยมันยิ่งเนา่ามันยิง่งหมักหมมยิ่งเละเทะนอนขึ้นแล้วอะไรแล้วนะโอ้โหมันควรจะชะําระควรจะจัดการควรจะกวาดล้างแต่แล้วนี่ก็จะสิ้นปีสี่ห้าอยู่แล้วเนี่ยไปสํารวจดูไปดูสิ สะสมกิเลสอะไรที่มันชักจะหนาเตอ่อแล้วนะชักจะหนาเตอะแล้วนะไอ้กิเลสตัวเนี้ยไปจัดการมันซะนะให้มันลดลงซะบ้างอย่าไปให้มันมากขึ้นนะไปสํารวจเลยโดยเฉพาะโอ้โหเปิดบางทียังไม่ไม่ทันเปิดเลยเนี่ยเพราะว่าใครสะสมมากๆเนี่ยนะไอ้ไอ้ไอเลมเนี่ยมันพองบางทีเนี่ยยังไม่ทันเปิดก็มองพอจะเห็นอยู่แนละ้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างไอ้สเต็มที่เราสะสมเนี่ยกิเลสพวกเนี้ย โดยเฉพาะไอ้ที่มันโผล่มานอกเล่มแล้วเนี่ยคุณเห็นเลยว่าจะจะเลยอะ่ะเต็มเต็มตาคุณเลยเพราะฉะนั้นชัดแล้วนี่อันนี้โอ้โหนี่ปล่อยมาจนกระทั่งมันงอกลากแล้วมันงอกลากแล้ว น, นันี่มันขืนปล่อยต่อไปอีกเนี่ยตายตายจะวันหลังนี่จะแก้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยเพราะว่าคาว่า ง, งอกลากนี่คือถ้ามันเป็นธรรมดาเนี่ยเขาเรียกวันที่ใส ถ้าเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันงอกลากเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกสันดาลก็บอกว่าสันดอนมันยังขุดง่ายใช่ไหมแต่สันดาลมันขุดยากนะขเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปให้มันงอกรากยาวนักนะมันเป็นแค่ลากฝอยก็รีบจัดการมันซะถ้ามันไปเป็นรากแก้วแล้วขเนี้โอ้โหคุณแก้ยากมากๆเลยซึ่งอันนั้น่ะเราเรียกว่าสักกายะไปดูว่ากิเลสตัวไหนที่เป็นสักกายะใหญ่ๆของเรา น่ารีบจัดการซะทอนมันลงมาให้มันเล็กลงน่าให้มันน้อยลงส่วนไอ้ที่เป็นรากฝอยไอ้กิเลสตัวไหนที่เราโอ๊ยเรายังไม่ติดมากหรอกกิเลสตัวเนี้ยอย่าไปเลี้ยงมันอย่าไปสะสมให้มันเป็นรากใหญ่ขึ้นอีกมันเป็นรากฝอยดึงก็หลุดแล้วอะ่ะเพราะนั้นจัดการเลยดึงทิ้งเลยนะ่าอย่าให้มันงอกรากยาวต่อไปอีกนั่นเนี่ยสิบข้อ ที่พุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นอสัตถ ธ, ธรรมปุยง่ายกว่าเป็นธรรมที่ทําให้เสื่อมทําให้ต่าําทําให้เราเนี่ยจะกลายเป็นคนหยาบชาเลวซามเพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกแก้นิสัยสิบอย่างนี้ซะได้เราจะเป็นผู้ที่มีสัตย ธ, ธรรมขึ้นมานะซึ่งก็จะทําให้พวกเราเนี่ยมีความสุขมีความเจริญขึ้นนะเอาวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้